ห5อนุปัจชยกาที่วัตถุว่าได้ควรไม่มีอุปชาอุปสมบทเป็นต้นข้อ1 1ึ่สมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีอุปชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกร่าบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอบัตทุกขกด วงเล็บสิบสอง